ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่27โอ้มจะเป่าคาถามหารรวยลนหัวใจคนสวยให้มาลงเธออินเทอร์อนเน็ตอุตสาห์เป็นเทคโนโลยีล้ำยุคแต่กลับมีคนพาถอยหลังเข้าคลองด้วยการขายสายศาสตร์ตั้งเว็บทำสเสน่ยาแฝดเสนอขายน้ำมันพลายให้แก่นักท่องเว็บ แตกลายเป็นการหลอกลวงคือพอโอนเงิน2000 20, บาทแล้วโดนเชิดเฉยไม่ได้ของถมหลังจะเกิดเรื่องไม่มีการสืบหาเว็บไซยศาสตร์ต่างๆพบว่ามีการประกาศขายน้ำมันพายกันเป็นว่าเล่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อแห่งบนอินเทอร์เน็ตราวกับอินเทอร์เน็ตกลายเป็นย่าสํานักหมอผีและทําคุณใสขนาดมะฮืมาไปละ อินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตครับเหมือนกับตึกแถวคือตึกแถวจะค้าขายอะไรก็ขึ้นอยู่กับคนคิดหรือเห็นลู่ทางกันไม่ใช่ว่าจะเอาเทคโนโลยีสูงส่งไปใช้ในทางต่ําและเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรการค้าขายนั้นถ้าตัดเรื่องศิลธรรมหรือความถูกความผิดออกไปก็มีหลักง่ายๆอยู่นิดเดียวคือประชาชนต้องการสินค้าแบบไหนมาก ก็ย่อมมีพ่อค้าหรือคนกลางนำเสนอสินค้าสนองความต้องการกันและถ้าสินค้าได้รับความนิยมก็จะมีการลงทุนเพิ่มปริมาณกันให้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆกรณีนี้ถามว่าน้ำมันพายเป็นที่ต้องการของตลาดแบบไหนคำตอบง่ายๆเลยก็คือกลุ่มคนอกหักทั้งพวกที่จีบไม่ติดและทั้งพวกที่สามีหรือภรรยาหนีไปมีคนใหม่ กลุ่มคนเหล่านี้จะพิจารณาตัวเองว่าเป็นพวกที่ได้รับความเดือดร้อนจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องหาที่พึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางดีหรือทางร้ายพอเข้าตาจนขึ้นมาก็รุดไปขอความช่วยเหลือหมดและใจที่กำลังเข้าตาจนก็อยากเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อยากเชื่อไว้ก่อนว่าสรรพคุณที่เขาโฆษณาไว้เป็นของจริงไม่ได้อิงนิยายที่ไหน คนถูกหลอกก็ถือว่าน่าเห็นใจมากนะครับถ้าเป็นปกติอยู่ก็คงไม่เชื่อง่ายๆส่งเงินถึงสอง0 0บาทไปให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีแม้สินค้าที่จับต้องได้มาวางโชว์เหมือนพวกเร่ขายแบกอดินด้วยซ้ำคนทุกหนักกำลังคิดอะไรไม่ออกอย่าพึ่งไปทับถมกันแต่เคราะห์เรื่องคู่กำลังหนักอยู่แล้วมาเจอเคราะห์จากการถูกพวก18มงกุฎหลอกลวงเข้าให้อีกก็ไม่น่าเดายากเลยครับ ว่าจะอกไม้ไส้ขมเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นไปขนาดไหนมาพูดถึงน้ำมันพลายกันพวกพ่อค้าจะร่ำลือถึงสรรพคุณไปต่างๆแล้วรับประ ก, กันคืนเงินถ้าบุคคลอันเป็นเป้าหมายไม่หลงภายในกำหนด3วันหรือ7วันซึ่งแน่นอนยอมกระตุ้นต่อมความอยากได้ผัวได้เมียให้ลูกโชนเกิดภาวะหน้ามืดเรียกเท่าไรควักเท่านั้นกับทั้งอาจอวดอ้างว่า น้ำมันพายสูตรของตนเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำเพราะใช้ได้กับผู้มีเจตนาดีเท่านั้นขอให้เข้าใจกันไว้ทั่วๆเลยว่าน้ำมันพายสูตรดั้งเดิมนั้นได้มาด้วยการใช้เทียนลนเอาน้ามันจากศพของหญิงตายทั้งกลมมันคือยศยลสศาสตร์มืดไม่มีทางเป็นของขาวไม่มีทางเป็นของสูงไปได้ จะอ้างว่านำไปใช้ด้วยเจตนาดีไม่ได้เด็ดขาดก็เจตนาในทางลัดไปบีบให้คนเขามาหลงจะเรียกว่าเป็นเจตนาดีเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อสนองความเห็นแก่ตัวของตนเจตนาบีบคั้นผู้อื่นให้ยินยอมทั้งที่ไม่สมัครใจจัดเป็นอกุศ ล, ลจิตและในกรณีนี้ต้องนับเป็นมหาอากุศลจิต ด, ด้วยเพราะทาให้ชีวิตที่เหลือของคนคนหนึ่ง ต้องเบี่ยงเบนมาในทางที่ไม่ได้เลือกเองจะเรียกว่าทำลายชีวิตคนทั้งชีวิตก็ไม่ผิดนักผลของการใช้น้ามันพลายก็มีปรากฏเสมอครับว่าคนโดนจะมีสติฟั่นเฟือนเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายไปตลอดชีวิตในขณะที่คนใช้เองพอบุญเก่าอ่อนกาลังก็กลายเป็นบ้าไปได้เช่นกันเพราะเล่นกับอะไรไม่เล่นไปเล่นกับสดํา กรณีข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้จะว่าไปโดนหลอกเสียได้ก็ดีเพราะของเก๊ทำให้สูญเงินเปล่าแต่ของจริงทำให้เสียความสว่างแห่งสติปัญญาแบบมนุษย์ประดุดถูกกลาครอบจิตให้มืดมิดชีวิตที่พลาดไปเล่นกับสายดำนั้นมักจะต้องถลายลื่นตกต่ำไปเรื่อยๆหาทางขึ้นลำบากไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเรือจะดีที่สุดและผมก็เพิ่งทราบจากข่าวด้วยนะครับว่าออย หรือคณะกรรมการอาหารและยาไม่อาจเอาผิดกับพวกค้าขายเหล่านี้เพราะน้ำมันพายไม่จัดเป็นทั้งอาหารและยาผมคิดว่าในยุคอินเทอร์เน็ตที่ใครจะขายของหลอกลวงหรือเป็นสิ่งอปมงคลทำนองนี้ได้ไม่จำกัดควรมีหน่วยงานดูแลควบคุมได้แล้วมิฉะนั้นนอกจากจะมีคนถูกหลอกลวงไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังเป็นประตูสู่อุโมงค์มืดสำหรับคนรู้เท่าไม่ถึงการอีกนับไม่ถ้วนด้วย ใส่แสบเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิก